การกินอาหารอย่างรู้ค่าเนี่ยมันเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งเลยนะไม่ใช่ของชาวพุทธเท่านั้นนะแต่เป็นคุณธรรมของทุกคนนะที่มีอาหารกินเพราะวากว่าจะเป็นกว่าจะมีอาหารหรือกว่าอาหารจะมาถึงเรานี่มันก็ต้องอาศัยความเสียสละแล้วก็ความภาคเพียร ของผู้คนมากมายรวมทั้งาการเสื่อสลายของธรรมชาติด้วยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าของอาหารเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้อาหารเนี่ยมันหามาได้ง่ายราคาถูกพอ ร, ราคาถูกหาง่ายมันก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการ กินทิ้งกินขว้างนะบางทีตักมาเยอะๆแต่แล้วก็ไม่ได้พิจารณาว่าตัวเองจะกินหมดหรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราเห็ น, นตามงานเลี้ยงเนีนะเวลามีอาหารบุฟเฟ่นเนี่ยหลาคนก็ตักกันเยอะแยะ กินหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วส่วนใหญ่กินไม่หมดแต่ตักมาไว้ก่อนเพราะถือว่าจ่ายเงินไปแล้วหรือบางทีก็เป็นงานเลี้ยงที่ไม่ได้จ่ายเงินแต่ก็อยากจะได้เยอะๆไว้ก่อนแล้วไม่ใ็นงานเลี้ยงเดียวนะเดี๋ยวนี้การกินอาหารนะที่บ้านเองเนี่ยหรือไม่แต่ในวัดเนี่ยบางทีเราก็ กินทิ้งกินขว้างมีอาหารเหลือเยอะนะอันนี้มันกลายเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วนะเพราะว่าอาหารที่เหลือทิ้งนี่มันกลายเป็นขยะโอแล้วมันก็สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมยังไม่ต้องพูดถึงว่ามีคนอีกมากมายที่เขายากจนนะขาดอาหารอาหารที่เหลือถ้ามัน ไปถึงมือเขานะหรือว่าได้กลายไปเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตของเขานี่ก็ก็จะพ้นจากความทุกข์ยากมากมายเมื่อปีที่แล้วนะประเทศจีนนี่เขาออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งน ะ, ะกฎหมายนี้จะว่าแปลกก็แปลกนะ กฎหมายส่งเสริมให้คนเนี่ยกินเกลี้ยงจานนะกินอาหารเนี่ยต้องกินให้เกลี้ยงนะแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้กินทิ้งกินขว้างเลยเพราะในงานเลี้ยงหรือในพัตคารเพราะว่าการกินทิ้งกินขว้างในพัตคารในโรงแรมหรือว่าตามงาน เลี้ยงต่างๆนี่มันกลายเกลื่อนมากนะก็ประมาณว่าเนี่ยอาหารที่กินไม่หมดที่เหลือทิ้งเนี่ยในพัตาคารตามงานเลี้ยงต่างๆเนี่ยมันมีถึงสี่สิเอร์เซ็นตะของอาหารที่จัดให้กับลูกค้าสี่สอร์เซนนี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะมันเกือบครึ่งเลยนะ ้องนึกภาพนะตักมาเต็มจานแต่ว่ากินแค่ครึ่งเดียวนะที่เหลือทิ้งอันนี้ยังไม่นับนะการกินที่กิงขว้างในบ้านเรือนนะซึ่งในจีนเนี่ยข้อนี้อาหารที่เหลือทิ้งนี่ปีหนึ่งนี่ก็สามรอยห้าสิบล้านตันนะซึ่งมันประมาณเนี่ยหนึ่งในสามของอาหารที่ เสียหรือทิ้งไปทั้งโลกเลยเพราะประเทศจีนนะเป็นประเทศใหญ่แต่ก่อนนี่ก็ยากจนมากนะแม้ตั้งส0สิบปีที่แล้วนี่กว่าจะได้กินเนื้อกินไก่นี่ก็ต้องรอตุดจีนนะแล้วก็ได้กินแค่ครั้งเดียวนะในปีหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ได้กินทุกมื้อเลยนะเพราะจีนก็คนมีฐานะดีขึ้นร่ำรวย แล้วก็ของเหลือทิ้งก็เลยมากเนี่ยรัฐบาลก็เลยออกกฎหมายที่ว่าเนี่ยนะอย่างเช่นน่ะอนุญาตให้พัตคารร้านอาหารนี่ลดราคาให้กับคนที่กินเกี้ยงจานนะใครที่กินเกี้ยงจานนี่ร้านนี่ลดราคาให้หรือว่าให้รางวัลเช่นให้ตั๋ว นะสําหรับจอดรถพอาะเดี๋ยวนี้ที่จอดรถมันหายยากนะใครกินหารเก่งจานนี้ให้เลยนะให้ตัว๋วให้คูปองจอดรถแต่ถ้าใครกินไม่หมดนี่ถูกปรับนะกฎหมายเนื้อให้ร้านนี่ปรับลูกค้าที่กินอาหารเหลือแล้วก็กฎหมายนี้ก็รวมถึงการห้ามนะหรือปรับ รายการแข่งขันสว่าปาล์มนะเดี๋ยวนี้มันมีนะการแข่งขันสว่าปาลมเนี่ยคือใครจะกินได้เยอะที่สุดนะใครกินเยอะก็ได้รางวัลไปเดี๋ยวนี้มันก็มีการแข่งขันกันทางโทรทัศน์หรือว่าทางออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแข่งขันได้นะแต่มันก็มีคนเนี่ยสนใจ ตั้งสนใจแข็งแล้วก็สนใจดูรัฐบาลนี่ก็จะปรับเลยนะถ้าใครแข่งขันสว่าปลาบบนี้นี่อาจจะถูกปรับถึงห้าแสนนะอันนี้มันก็เป็นอกฎหมายที่ประหลาดดีแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะถ้ามันได้ผลจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของขั้นนิยมด้วยมันไม่ใช่เพียงเพราะว่า คนไม่เห็นคุณค่าของอาหารหรือว่าเห็นแก่ตัวนะชอบอะไรก็ตักเอาไว้เยอะๆก่อนคนอื่นข้างหลังเป็นยังไงฉันไม่สนใจหรือคิดว่าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะขอตักเยอะๆให้มันคุ้มทั้งที่อาจจะกินไม่หมดกุ้งตัวใหญ่ๆนะหรือว่าเนื้อชิ้นใหญ่ๆก็ตากไว้ก่อนนะถือว่าจ่ายเงินไปแล้ว มันไม่ใช่แค่ตัวลูกค้างอย่างเดียวนะเจ้าภาพเนี่ยงานเลี้ยงนี่ก็เหมือนกันนะเพราะว่าในจีนเนี่ยมันมีค่านิยมนะว่าถ้าจัดงานอะไรเนี่ยล้วแขกเนี่ยกินเกี้ยงจานเนี่ยมันถือว่าเจ้าภาพเนี่ยดูแลแขกไม่ดีพอเจ้าภาพจะขี้เหนียวนะแขกก็เลยกินอาหารได้น้อยมันก็เลยเกี้ยงจาน เจ้าภาพเนี่ยกลัวเสียหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกเวลาแขกเนี่ยกินอาหารหมดเนี่ยนะต้งที่เขาอิ่มแล้วนะก็ยังสั่งอาหารนะมาให้แขกอาาีกเพื่อไม่ให้เสียหน้าเพื่อไม่ให้ตําหนิว่าเนี่ยเจ้าภาพนี่ขี้เหนียวงกเป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศเลยนะเจ้าภาพเนี่ยต้องการรักษาหน้าของตัว ก็เลยสั่งอาหารมาให้แขกเยอะๆทั้งที่แขกกินไม่ไหวแล้วนะถือว่าเป็นเรื่องของหน้าตาไอ้แบบนี้นี่ก็ทนะกฎหมายนี่เขาก็เตรียมจะเล่นงานเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วนี่กฎหมายยังไม่พอามันเป็นเรื่องของทัศนคติด้วยนะควรต้องตระหนักว่าเนี่ยอาหารนี่มันมีค่านะงนั้นก่อนจะกินเนี่ยนะต้องพิจารณากินอย่างมีสตินะ รู้ว่าอาหารนี่กว่าจะได้มานี่มันยากอย่างไรแล้วก็ถ้าเหลือทิ้งนี่มันกลายเป็นภาระเป็นขยะสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมอย่างไรที่นี่เหมือนก็นกเหมือนกันนะเราก็ต้องพิจารณาเวลากินอาหารเวลาตักอาหารนะเราตักให้พอกินนะแต่ไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าแม่แม่จะไปที่อื่นนะจะมีงานเลี้ยงนะกินฟรีอย่างไรเนี่ยก็อย่าคิดว่า เป็นของฟรีแล้วเนี่ยจะตักเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าจ่ายเงินไปแล้วบุฟเฟ่นนะตักเยอะๆกุ้มค่านะเหลือทิ้งไม่เป็นไรเราคนสมัยก่อนถือว่าแบบนี้มันบาปนะเพราะว่ามันเป็นการไม่เห็นคุณค่าของอาหารนะแต่เดี๋ยวนี้ความที่แบบนี้ก็หายไปแล้วก็ถือว่าเกิดเลยเกิดขั้นนิยมกินทิ้งกินขว่งตามยุคสมัยที่รบริโภคนิยมนะนะซึ่งมันเป็น พฤติกรรมที่ทำร้ายโลกทำร้ายธรรมชาติมากแล้วก็ทำร้ายสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าพอตักมาเยอะๆแล้วเนี่ยเอาของแพงๆของพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็มีไขมันเยอะกินเข้าไปเยอะๆนะมันก็ทำให้เป็นโรคป่วยได้ง่ายนะเรียกว่าป่วยทั้งคนนะป่วยทั้งธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าคานโยมแบบนี้แหละยัยงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้